มาดูในื้อที่เลยนะครับได้อธิบานเป็นตามหลักนะตอนถึงหน้าที่ห้านะครับทีนี้ก็จะขึ้นหัวข้อว่าวัตถุวิบัตินะครับพราะบอกว่าสมาบอกว่าฮวาเนี่ยกรรมสี่อย่างใช่ไหมมีโปรมกับนักกรรมเป็นต้นนะครับแต่ละอย่างนะจะวิบัตินะมีความวิบัติด้วยเหตุห้าอย่างนะครับโดวยวัตถุยัตติอนิสอนุสาวนาสีมาระโกมลสัต ท่าก็จะอธิบายก็ถูกวิบากกันนะครับอันนี้ถามว่ากรรมย่อมวิบัติโดยวัตถุอย่างไรตอบว่ากรรมย่อมวิบัติโดยวัตถุอย่างนี้คือหนึ่งกรรมที่ควรทําพร้อมหน้าแต่สงทํารับหลังชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรมวิบัติโดยวัตถุนี่นะครับวิบัตินะอย่างเช่นบวชนี้นะก็ต้องต่อหน้าใช่ไหมครับเอใช้นะยกตัวอย่างว่าให้ปริว่ามานั่นพวกนี้นะครับ ก็ต้องทําต่อหน้าจะไปทํารอกหลามนี่นะไม่ได้นะครับเนี่ยนะเรียว่าไม่เป็นธรรมนะครับวิบัติโดยวัตถุพวกบุกคคลที่สมควรแก่กรามนั้นไม่ได้อยู่ต่อหน้านะครับสองกรรมที่ควรสอบถามก่อนทําแต่สงไม่สอบถามก่อนทำนี่ก็วิบัตินะครับ น, นะต้องสอบถามก่อนกรรมบางอย่างนะที่ประสงค์จะลงกรรมแก่พิสูจรูนั้นรูนี้ใช่ไหมกต้องถามก่อนนะครับเพื่อเขาอะไรนะ ถามครับเพื่อให้เขาให้การนะแล้วก็ทําตามปฏิญญานะครับสามกรรมที่ควรทาตามปฏิญญาแต่สมไม่ทําตามปฏิญญาเขาไม่ร่ำเงี้ยนะก็จะหักหานทาลงไปเลยเขาไม่ได้ต้องทํานำร่ำนะครับคนนั้นก็บนเพลิ่มพันไปใช่มผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำสมก็ไม่ฟังไม่เอานะนั่นนะครับไม่ใส่ใจปฏิญญาลงอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับ ก็วิบัติน้าหรว่าถูกหมดเลยทั้งสามนี้การวิบัติพร้อมไม่ทําตามความจริงครสี่สงให้อมุลหาวินยัยแก่พิสูผูขควรสติวินยัยอมุลหาวินัยเขาให้แก่ที่สูบ้านใช่ไหมที่สูบ้านนะครับที่ไม่รู้เรื่องนะที่สูบ้านที่ไปล่วงละเมิดพระวินัยบัญญัติตอนนี้เป็นบ้านนะครับตอนนั้นถ้าเป็นบ้านเราจะไปล่วงละเมิดวินัยถ้าไม่รู้เรื่องนะ ที่นี่พอหายบ้าแล้วเนี่ยก็ยังมีพิสุมาโจาท่านด้วยอาบัตที่ท่านทำตอนเป็นบ้าใช่ไหมครับเพราะพิสุบ้านนี่เป็นอนาบัตใช่ไหมวิกรเสด็อนณาบัต น, นะครับท่านก็บอกผมไม่รู้ผมทําไปตอนเป็นบ้าผมลึกไม่ได้จําลยไม่ได้เลย<ม>เขาจะมาโจาหาเรื่องท่านจนได้นะครับท<ม>่านก็เลยลำบากไงข่าวให้รับผิดอย่างเดียวเลยอยีกท่านบอกว่าไม่รู้ยังไงเขาก็จะเอาเรื่องท่ให้ได้พระพุทองก็ทรงอนุญาตให้ ให้ประสงค์ครับให้อำมูลหาวิในแก่ผู้สูงผู้เป็นบ้าเนี่ยนะว่างนะครับไม่มีใครมาโจดถ้าได้แล้วเกี่ยวกับอาบัติ่ทําตอนเป็นบ้านะไม่มันโจดให้ได้นะครับเ <c oughs> พราะถือว่าได้อำมูลหาวิในาจากสง่งแล้วนะเนี่ยนะครับวันนี้นะครับคนนี้เป็นบ้าเพิ่งหายบ้าใช่ไหมควรอำมูลหาวิในนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ไม่มีแขกสองห้ามูลห า, าวิในแก่ผู้สูงผู้ควรสติวิใน ที่สุดผู้ควรสติวินัยในตัวพาาาระอรหันต์นะครับผู้ พ, พาาาระอรหันต์ใช่ไหมมีสติสมบูรณ์แล้วนะครับและมีคนมาโจทย์ท่านด้วยอามบา่าเนี่ยแทนท่านตอนลำบานะมาโจทย์ท่านเ ร, รื่องแบบปราร้าชีพการดิเสธอะไรอย่างนี้นะครับทําให้ท่านตอนลาบากผู้รวงก็เลยอนุ ญ, ญาตนะครับให้สติวินยัยพาาารนะอรหันต์ควรสติวินัยนะแต่ไปสู่อามุลหาวินัยให้ <c oughs> ไม่ได้นะครับคนละเรื่องกันนะอสองทำตัดสปาปิยสิกากรรม แก่พิสูจผู้ควรอมุญหาวินัยนครับเดี๋ยที่ว่าข้างหลังที่เดียวเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยอาจารย์เขาจะมีคำผู้บ่ารงครับพอรู้ใช่ไหมครับทําตัศปากิจสิกรกรรมแก่พิสูจผู้ควรวินอมุญหาวินยัยรูปเนี่ยเป็นบ้าเพึ่งหายบ้านะควรจะให้อมุญหาวินยัยแต่กลับไปลงตัศปากิจสิกรกรรมนะครับกรรมที่สองทำแก่พิสูจน์ผู้ชั่วช้านะไม่ตรงสองทําตัดชั่นียกรรม แกจิสุสาภาุควลตัดสัพปาริยสิกกรรมสงฆธรรมนิยสกรรมแกจิสุภุควรตัดชนิยกรรมสงฆธรรมปภพาชนิยกรรมฟังยังไม่รู้เรื่องหรือเช่องทา ง, ทาง <c oughs> อันทันหมตนเชียร์ก่เนี้คือหมายถึงว่าโดนไลด์ด่ะออกไ่ไยังครับเด็กยัยงนะครับผมไม่เห็นนักศึกษาว่าอะไรผมว่าปเปลีย ว่าไปไเรื่อยๆนะจะอธิบายแต่ละอย่างเนะก็ <c oughs> เอาว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับมาดูคําอธิบายก็แล้วกันนะของกรรมแต่ละอยาะ่างเนี่ยเราจะได้รู้เรื่องเลยนะครับปรไปที่หน้าเก้านะครับปรไปที่หน้าเก้า น, นี้ดีกว่านะจะได้เข้าใจนะครับเม <c oughs> ื่อพูดไปก็ผู้เก่ามีปัญหาสิแต่ผู้ใหม่สิยังไม่เข้าใจใช่ไหมบางเวลาบางทีไม่รู้เรื่องได้นะครับ อธิบายข้อสี่นะครับบทว่าผู้ควรสติวินัยนี้ได้แก่พระขี่นาสมเช่นพระธ่าพามรบุตรเทล่นะครับที่ติดไปท่านเป็นท่านละหันนะแล้วก็อายนะมีพิสูจนนะครับมาตามโจท่านด้วยแบบถึงขั้นประราชิกอะไรอย่างนี้นะมาโจมมาหาเรื่องท่านนะครับแทนท่านต้องลำบากถ้านที่ท่านเป็นพระละหันท่า ไ, ไปทําอย่างนั้นใช่ไหมครับก็มีคนมาตามโจตามราวีท่านนะพูดรองก็นะครับ อนุญาตนะให้ประสงคนะ์เน่ยให้สติวินัยแก่ผ้ารังสรร์ได้นะครับว่าบุคคลเนี่ยเป็นผู้ถึงพ้องสติได้วใช่ไหมใครๆจะมาโจกท่านไม่ได้นะครับเมื่อได้รับสติวินัยแล้วเนี่ยผ้ารูปไหนก็จะมาโจกท่านไม่ได้นะโจกก็ไม่ขึ้นถ้ามาโจกก็จะโดนพิสุเหล่าอนว่านะครับอนี่นะสติวินัยเป็นอย่างนี้ผู้ควรอมุญหาวินัยก็พิสุบ้าเช่นคัคค้าพิสุอันนี้ธิบายไปแล้วใช่ไหมครับผู้ควรตัสสปาติยะสิกากรรม ได้แก่พิสูจน์ผู้มีบาปนะแน่นเช่นเผ้าปวาระนะครับหมายถึงอะไรพิสูจน์ที่มีความความพืชชั่วช้าความพืนไม่ดีนะครับแล้วก็พระสงฆ์ก็สงสัยว่าท่านจะต้องบัรปราชิกนะถึงขั้นนั้นเขาก็เลยเอาท่านมาสอบสวนถ้ำการสงนะครับท่านก็ปฏิเสธปฏิเสธพอเขา้เขาสักไปสรซักมาแล้วก็ล่ำนะครับก็ทําล่ำแล้วก็ปฏิเสธอีกนะครับ ปฏิเสธแล้วรับแล้วนก็ปฏิเสธนะให้การกลับไปกลับมานะครับอย่างนี้ไม่รู้ว่าแกต้องจริงหรือไม่จริงนะเพราะว่าแกกลับไปกลับมานี้นะครับนั่นนะทีนี้นะครับก็ะสงฆ์ก็จะลงตัดสัปปายัสิกกรรมลงตัดสัปปายัสิการรมมันเป็นยังไงก็จะถือว่าถือว่านะครับเพราะว่าแกกลับไปกลับมานี่ใช่ไหมถ้าแกเป็นปราชิกแล้วนะ ก็ถือว่าก็ปล่อยให้แกนะครับตายทั้งเป็นนําทั้งดิบไปนะถือว่าแกไม่ใช่ผ้าแล้วนะครับ <ımız. S 1> ขาจากความเป็นนี่นะถ้าว่าเป็นประราชิกนะครับถ้าแกยังไม่ได้เป็นประราชิกนะแกก็จะปากรื้อกำของตนเองนะครับนั่นหะอย่างเงี้ ย, ยต้องก็จะลงประสปาปาปิยสักสิการกรรมเก็บวิสุทธิ์อย่างนี้นะครับ<ม>แล้วก็ผู้ควรตัดชนิยกรรมได้แก่พิสูภูผู้ชอบก่อความบานหมางนะ ก่อความบ่าหมาก่อความทะเลาะวิวาก่อความอิจฉาก่อที่ก่อในสงนะครับมีเรื่องมีราวนะชอบทะเลาะวิวานะครับอันนี้ประสม์ก็จะลงตัดชนิยกรรมตัดชนิยกรรมแปลว่าอะไรกรรมเป็นเหตุข่มนะครับมาดูในชิดิบแผ่นหนึ่งดนชิ้นดิบแผ่นหนึ่งนะครับดูประกอบ น, นะกรรมเจ็ดอย่างนะคอ่าเห็นคำว่าตัดชนิยกรรมไหมพี่เป็นภาษา ให้อย่างเดียวนะครับข้อที่หนึ่งนะตรงกลางหน้านะตัดชนิยกรรมคือกรรมที่เป็นเหตุคุกคามี่สูจผู้ก่อความบาดหมางเป็นต้นสก็จะลงกรรมอย่างนี้นะแก่พิสูจน์ที่มีลักษณะนะครับก่อความบาดหมงางท้เลอะวิบาสแล้วก็ไม่พอนะมีการสแสวงหาพัางพวกปกระดมนะครับ <c oughs> อย่าไปยอมอั้นนี่นะพวกท่านก็ไม่ใช่ธรรมดาเราก็มีความสามารถเหมือนกันสู้ให้ถึงที่สุดไ ป, เ, ปเลย <c oughs> อะไรเงี้นนะเนี่ยขนาดนี้นะครับมีการกอ่กกอความก่อผู้พวกนะ้อันนี้หนักแล้วนะใช้สงอยู่ไม่ผาสุกนะครับอย่างนี้สงก็จะลงปันชนิยกรรมเพื่อคุกคามข่มพิสุู้พวกเนี่ยนะมันก็ถูกลงชนียกรรมแล้วก็ต้องประพฤติข้อว่าสต่างๆนะครับถึงจะหายนะ <c oughs> แล้วก็สองนิยสกรรมนะครับนิยสกรรมก็คือกรรมที่เป็นเหตุให้พิสุพานเป็นต้น ต้องถือวิสัยข้อา่าลการยานมวิธหมายถึงไปสู่ที่เป็นพานไม่ฉลาดนะครับมีอาบัตมากนะต้องอาบัตอยู่เนึองๆ น, น, นะครับถ้าไม่ได้สนใจนะทําอาบัตอยู่เรื่อยๆนะครับถึงขนาดว่าบันทีต้องบัตสังฆาติเสสแล้วอย่างนี้นะกำลังเป็นพุทว่านอยู่แต่ท่านก็ไม่ได้ใส่ใจข้อปฏิบัติของภาพปริวาส น, นะครับก็ยังต้องอาบัตอยู่เรื่อยๆนะครับไม่รู้เรื่องเลยอะไรเป็นอะไรนะ <c oughs> ไม่ฉลาดไม่รู้ต้องอาบัตกันอยู่เนึองๆนะครับ ถึงจะภาษาเยองก็แล้วแต่นะแล้วก็คุกคีกับค้ารือหัดด้วยการครุกคีที่ไม่สมควรนะครับเป็นยังไงต้องบอกว่ามีการอย่างนี้ไงเป็นผู้ที่สานันทีสาโ ส, า ส, า ส, าสากีนะครับร่วมยินดียินร้านกับพวกค้ารือหัดด้วยนะเข้ายินดีกันฉลองปีใหม่ใช่ไหมหรือวันเกิดนี่นะก็ยินดีเฮฮาไปกันโยกด้วย <laughs> <laughs> พก็ไปคุกคีคุ้นเคยเข้ามาใช่ไหม เขาดีใจก็ดีใจเข้าดุ่ยเขาฉลองฉลองเข้าด้วยหรือว่าถ้าเขาเสียใจในญาติเสียธุรกิจแจ้งอะไรนี่นะครับก็คอยเสียใจเข้าดุ่ยนะครับนี่นะพ่อจึงไปคุกเขียเข้ามาเขาเรียกว่าสานันทีนะครับร่วมบันเทิงนุ่ยนะร่วมดีสาสโซดีก็ร่วมเศ่องโส่นี่นครับเป็นการคุกเขี่ยเขาไมหัดขนัดนั้นะไม่ได้เกี่ยวกับารไปแสดงทำแสดงวินัยใช่ไหบนี่แหละนะครับนี่นะ ต้องบักนการอยู่เนือง ๆ, ๆะครับต้องให้ถือนิสัยใหม่เลยถึงว่าจะพอนิสัยใช่ไหมพรรษาได้อะไรได้แล้วนะครับแต่มีความบังคับอย่างนี้นะครับก็ตอนถีอนิสัยใหม่เพือ่อจะได้ไปคบหาไกลในมีคูบาอาจารย์นะจะได้แนะนํา ส, สอนได้นะครับสองก็จะตรงตัดนิยสกรรมนี้นะเพื่อท่านจะถือนิสัยใหม่ะครับสามประภาธนิยกรรมอันนี้ง่ายแล้ว <c oughs> คือกรรมที่เป็นเหตุ ข, ขําไล่นะครับให้คําไล่นะ ที่สุผู้ประทุสลายจะ ก, กูเป็นต้นออกจากหมู่บ้านเป็นต้นใช่ไหมครับขับไล่ไปเลยประทุสลายจะ ก, กูลไม่ได้ไปดาว่าโยมใช่ไหมหมายถึงที่สุผู้ประจบประแจงขลุหันนะครับเอาอกเอาใจโยมนะด้วยการให้เข้าให้ของนะครับเขาไม่ใช่พอ่อไม่ใช่แม่เรานะถ้าพ่อแม่เราให้ของได้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับถ้ายากก็ยังให้ของบางอย่างได้นะ แต่นี่ไม่ใช่ยาไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่อะไรนะครับก็ไปให้นะเพื่อมาเกะเอาเอาใจเขามีการทํายาอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับหรือให้ข้าให้ของประจบประแจงต่างๆแหละนี้นะเพื่อนมก็จะลงปบทพานนิยกรรมนะครับไล่จากวัดไปเลยนี่นะไล่จาวัดไปเลยนะครับแล้วก็สี่ปฏิสารณิยกรรมคือกรรมที่เป็นเหตุให้ปิสุผู้ด่าว่าขลุหะตเป็นต้น และลึกถึงความผิดของตนอาจารย์ใส่เป็นต้นไว้นะเพราะว่าหลายข้อนะครับคือคนที่จะถูกลงปบทภานียกรรมหรือปฏิสานิยกรรมนะไม่ใช่ว่าเหตุแค่นี้นะครับมันเหตหลายอย่างนะที่สามารถลงกรรมเหล่านี้นครับผู้ด่าว่าพฤติกรเป็นต้นไงไปดา่าไปว่าโยมนะครับขนขวายเพื่อไม่ใช่ลางนี่นะเพื่อไม่ใช่ประโยชน์นะครับทแทนโยมเขาอยู่ลำบากยู่เดื อ, อดร้อนนะนะครับ พิสูจอย่างนี้ก็สงฆ์จะลงปฏิสารนียกรรมแปลว่ากรรมที่ให้ท่าน ล, ล่าลึกถึงความผิดที่ได้ทําออกม้แล้วนะครับเนี่ยได้ปรับปรุงแก้ไขนะเหมือนกับพระสูตรธรรมใช่ไหมครับในเรื่องนะ <c oughs> ฟังกันนะครับในเรื่องนะ่ะเรื่องนี้มาจากเรื่องพระสูตรธรรมนะครับใครเคยฟังไหมครับจะได้เคยฟังใช่ไหมพระสูตรธรรม ไปดจิตตะฆ่าบดีใช่ไหมครับซึ่งจิตตะฆ่าบุตีนี่เป็นฆาตนาคามีธรมรมดาเนี่ยพระาสุธรรมนะครับเป็นพิสุท์เจ้าถิ่นนะและจิตตะขึ้นหานบดีเขาเป็นพระอริยะบุคคลใช่ไหมก็มีสรัทธาเรื่องใสอุปถาอุปถัมภ์ท่านประจํานะครับก็ดูแลอย่างดีนะทีนี้เขาอยู่แถวเนี่ยเป็นเจ้าว่าด้วยนะครับเวลามีกิรนิมนต์มีงานอะไรเนี่ยข้ามบุตีเนี่ยก็จินิมนต์พระสุธรรมนะครับ หรือไปทำบุญที่อื่นที่ไหนเนี่ยก็จะมาบอกพระสุธรรมนะเหมือนว่าให้ความเคารพมากนะครับอย่นทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งนะพร ะ, ะเทล่ทั้งหลายมานะครับด้สิ่งคือพระโมกข า, าราสสารดิบุตรมาอย่างนี้นะแล้วพระสุธรรมก็อะไรไปนิมนต์นะครับพระเทล่าเนี่ยพระโมกขาราสสาริบุตรให้มาฉันที่บ้านไปนิมนต์โดยที่ไม่ได้ไปบอกพระสุธรรมก่อนใช่ไหมธรรมดาก็าต้องไปบอกพระสุธรรมก่อนนะ นะครับทีนี้พรสุธรรมพอรู้อย่างนี้นะครับไม่พอใจเลยนะนะครับคือเขาก็เตรียมข้อวปลาอาหารไปนะครับเยอะแยะอย่างนี้นะเพื่อจะรีบพังพนะครับหรือพระศรีรั้นสององค์เนี่ย <S <S พระสุธรรมพอรู้อย่างนี้นะครับว่าข้าบดีเนี่ยเขาเตรียมอะไรแล้วนะนี่มรณภาพแล้วนะครับแล้วก็มาบอกเราทีหลังเนี่ยไม่ยอมาบอกเราก่อนนะธรรมด า, าต้องมาขออนุ ญ, ญาตมาแจ้งทราบก่อนใช่ไหมแลวม้วคอยนมรณภาพนะครับ ต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ยไม่ยอมเก่งมาอะไรกันแล้วนี่มันเกินไปแล้ว <c oughs> ไปหลงสัวมากนะครับมันเกี่ยวอะไรเขาไม่ได้ทำผิดใช่ไหมนะครั บ, <c oughs> รบแล้วก็นิมนต์ผ้ารักษาอกมาตัวเองก็น่าจะดีใจด้วยท่านก็แบบน้อยใจนะไม่พอใจก็ทําไมไม่ยอมมาบอกเราก่อนเลยนิมนต์คนอื่นนี่ครับอันนี้พอไปถึงตอนเช้านะ <c oughs> <c oughs> จิตตะข้า บ, บดีเนี่ยก็นิมนต์ทานหนไปด้วยนะครับไปฉัน ท่านก็ไม่ยอมรับนะครับพราจีนี่หมดแล้วก็ไม่ยอมรับนะทีนี้พอไปถึงตอนเช้านะครับพระสุธรรมเนี่ยก็ไปที่เตือนของจิตตะข้าบดีนะก็ไปตรวจดูว่ามีอาหารอะไรบ้างไปว่าดูนะครับมีอาหารแล้วเยอะแยะเล ย, เลยก็เลยพูดกระทบจิตตะข้าบดีนะครับว่าอห้ท่านเตรียมเนี่ยมันขาดอยู่ยาขาดอยู่อย่างนึงนะจิตตะข้าบดีก็ถามว่าอะไระครับเ้าก็บอกว่าขนมแดก ง, ง่ายเยอะ ขายขนมแดงงานนะครับซึ่งขนมแดงงานหรือเป็นขนมเป็นขนมของต้นวงของจิตจต์เข้าบดีนะครับ อ, อาจจะเคยเป็นอะไรนะต้นวงเขาอาจจะเคยเป็นสกุลที่ไม่ได้ร่ํารวยที่ไม่ได้อะไรมาก เ, เนี่ยนะเขาจะว่าอย่างนั้<ใ>นงงนะครับเข <verses> าเป็นแบบธรรมดาก่อนนะต้นวงเขาต้นวงท่านนะครับแล้วภายหลังร่ํารวยขึ้นมาใช่ไหม แต่นี่นะครับพูดกระทบไปถึงต้องต้นวงนะว่ามาจากอะไรก็ <c oughs> มาจากพวกที่ทําขนมแดงงานอะไรกินขนมแดงงานนะก็เลยพูดกระทบไปถึงนั่นนะครับ <c oughs> จิตต์เข้าบดีก็เลยมีการพูดนะพูดเตือนสติท่านนะครับท่านก็ไม่ยอมนะครับไม่ยอมเลยนะไปถึงไปฟ้องพุทธเจ้า <c oughs> <c oughs> ฟ้องอะไรฟ้องมาเอาไปมาท่านนั่นแหละเป็นคนผิดนะครับก็เลยต้องกลับมาขอเขอ้มาพระอาจิตต์ห้าบดีนะ เพราะว่าจแต่ข้ามบดีผ้าลยาเป็นผ้านาคามีก็ไม่ไม่มีความโก่งแล้วนะครับใช ga, ่ผมจําถูกไหมเป็นผ้านาคาหมีใช่ไหมครับเป็นอย่างนั้นครับนั่นแหละเราให้ลงปฏิสารณนิยกรรมใช่ไหมนะครับคุ่นอ้ให้ลงปฏิสารานิยกรรมแก่พระสุธรรมเพื่อให้พระสุธรรมเนี่ยระลึกถึงโทษที่ไปด่าไปพู่กระทบผิดเปลืยโยมได้นะครับ กะทบกระเทียบเพราะนะแล้วก็อุเคปนิยกรรมนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอีกข้อกรรมที่เป็นเหตุยกที่สุผู้ไม่เห็นอาบัตเป็นต้นออกจากภูมิของที่สุมีสังว่าเสมอกันอันนี้เราเราว่าไปแล้วใช่ไหมนะครับไอ้ข้อมาเดเดี๋ยวจะมีข้อนะข้อมาดก็ทําประโยมเพราะไม่ใช่ทำความพันด้นยกันนะทำความพันไม่นี่ว่าค้อมาดนะครับข้อมาดคือพันทำประโยม์ ทำทำกับพระเยกว่าคเคปปิยกรรมครับอันนี้กรรมต่างนะครับอันนี้ทำกับพระท้งดนะก็คือพิสูจน์ที่อะไรนะไม่เห็นอาบาัตใช่ไหมครับมันคือไม่ยอมรับการทำว่าเป็นอาบาัตไม่ทําขึ้นอาบาัตแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างเช่นพระอนิฐานนี่นะครับพวกเราสง่งนิยามให้ลงเคเปปณิยกรรมแบบพิสูจ์อย่างนี้นะหมายถึงว่าให้ยกออกจากขณน ะ, ะลเลยนะครับไม่รวบเลยนะสารกิจสารกรรมอะไรต่างๆนี่นะครับนี่นะ นี่ยนะน้าแล้วนะครับกลับมาเข้ามาเล่มนี้นะครับข้อที่เก้านะมเมื่อกี้เนะี่ยอะเนะี่ยมาดูข้อเก้าต่อนะครับข้อแปดนะว่าเปืนนี่ยผู้ควรประพานชนิยกรรมได้แก่พิสุพุปุสลายตระกูลเช่นภาคสชชีและกุณฑปสุกะใช่ไหมครับ ผู้ควรปฏิสารนิยกรรมได้แก่พิสูจน์ผู้ดา่ากันเท่ากับทั้งอุบาสก บ, บาจการทั้งหลายโดยชาติเป็นต้นเช่นพระสุธรรมเป็นต้นโอเคเป น, นิยกรรมอันนี้ว่าหายครั้งแล้วนะครับผู้ควรปริวาคือพิสูจที่ต้องอาบัติสังฆาติเศษและปกปิดไว้ใช่ไหม <c oughs> ผู้ควรมูลย ป, ปัติกาสนาพิสูจที่ต้องอาบัติสังฆาติเศษในระหว่างกําลังประพฤติวัดเพื่ อ, อออกจากอาบัติสังฆาติเศษที่ต้องมาก่อน กลับบัคคุดวันนะแล้วก็ต้องอาบัตเข้าในระหว่างอิฐนะครับทั้งนี้กลบบางบัคคุดนะ่ะศก็จะให้โมเดลปฏิการษาชาภะหาบันเดิมใช่ไหมผู้ควรมาหนะ้าได้แก่พิสูจน์ผู้ต้องบัตสังคาตีเซแต่ไม่ได้ปกปิดไว้ใช่ไหมครับหรือพิสูจ์ที่อยู่ปริว่าข้อจํานวนแล้วนะครับที่ปกปิดไว้นะก็จะมาขอมาน้านะครับชื่อเว่นผู้ควรจะมาผู้ควรมาหนะ้ทีนี้ก็กลับมานะกลับมานะหน้าเหมือนี่นี้กลับมาหน้าหกนะครับ นี่ได้นะนะเราจะได้เข้าใจนะครับว่าทำยังไงเอาเอาว่าข้อที่ห้าใหม่นะครับสงฆ์ธรรมตัดสปาปิยสิกรกรรมแก่พิสูพุกวรอมุญหาวิไนใช่ไมข้าเอ้พิสูว่าควรอมุญหาวิไนแต่เป็นลงกรรมหนึตัวนี่นะสงฆ์ธรรมตัดชนียกรรมนะครับแก่พิสูพุกวรตัดสปาปิยสิกรกรรมพิสูพุชั่วช้านะให้การกลับไปกลับมานะครับควรจะลงกรรมตัวนี้ แต่ไปลงตัชนียกรรมนะครับเจ็ดนะครับสงธรรมนิยส ก, กรรมแก่พิสุผู้ควรตัชนียกรรมรูปนี้ใช่ไหมคนที่จะลงนิยส ก, กรรมให้ถือนิสัยใหม่นะครับเพราะว่าต้องแบอยู่เนืองๆนะแต่กลับลงตัชนียกรรมนะครับความจริงองค์ของพิสุที่ให้ลงนิยส ก, กรรมก็ดีนะตัชนียกรรมก็นีนะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเลยนะนะครับคนเช่นเขาทําแบบนี้นะะ่ะ จลงนิยสกรรมก็ได้ตัดชนิยกรรมก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าสงจะลงอะไรตรงไหนนะแต่เมื่อประชุมสงปุ๊บแล้วนะคะสบสงตัดสินลงมติว่าให้ลงกรรมตัวนี้ตัชนิยกรรมเนี่ยนะประชุมเป็นอย่างนี้นะนะครับแต่เอาไปมาก็เปลี่ยนใช่ไเปลี่ยนไปลงนิยสกรรมเสียนะครับก็ถือว่าลงนิยสกรรมแก่พิสูจผู้ควรตัชนิยกรรมนี่นะนนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับถ้าพูดไปแล้กยา ถ้ม่คู่อะไรเด็กก็จะม่เข้ใจอ่ามาดูมาดูในชี้อีกแผ่นหนึ่งนะครับทีนะชี้แผ่นบางๆนะครับทีหน้าหน้าที่ห้านะครับไปดูหน้าที่ห้าเลยหน้าเขาอยู่ข้างล่างนะไอตัวเลขหน้าอีู่ข้างล่างนะครับเห็นไอย่อหน้าที่สองนะควาว่าข้อที่สงจำนวนงกหมุนนะครับ ในตัดชนิยกรรมนิยสกรรมอเุเคป น, นิยกรรมสามอย่างนะครับ <c oughs> นะผู้ประกอบด้วยองค์สามคือก่อความบังอมางก่อการทะเลาะก่อการวิวาสก่อความอิ่นา้าก่อที่ก่อในสองหนึ่งนะครับ <c oughs> เป็นทานไม่ฉลาดมีอาบัตมากไม่มีที่สุดสิ้นสุดหนึ่งอาบัตหนึ่งพ่อแกก็ไปทําอาบัตต้องก็อยู่เนืองๆครับทำก็อยู่อย่างนั้นแหละนะไม่สำรวมไม่ละอ่างครั บ, บทำเรื่อยๆนะ อยู่คู่คียงกับพิหัรด้วยการคู่เคียงไม่สมควรเนี่ยนะที่สุผู้ประกอบด้วยองศาเนี่แหละ น, นะครับสงจะลงกรรมแบบไหนก็ได้นะตัดชินิยกรรมนิยสเกลองเถิดปณิยกรรมก็ได้นะครับสองผู้ประกอบด้วยองคศ า, าคืออันนี้หมวดที่สองนะมีศีลวิบัติแนวทิศศีก็คือในปฏิโมกข์นะครสังวรศีนะนะครับศีลวิบัตินี้มีอาจารย์วิบัติแนาทิยาจาร์นะครับก็คือข้อวั่นะครับ ต, ต่างๆนะนี่ครับ ข้อวั่นน้อยใหญ่ใช่ไหมครับ pues มีทิฏฐิวิบ nah, ัติเนี่ยอติทิฏฐิก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะครับอันนี้ก็ให้ลงลงกรรมสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งได้ครับสามผู้ประกอบด้วยองค์สามคือกลางติเตียพระพุทธเจ้ากลางติเต <'s> ียพระธรรมกางติเตียพระสงฆ์อันนี้เป็นพระแท้ๆนะครับอย่างกลางติเตียพระสนาตไตรนะอันนี้ไว้ไม่ได้แล้วนะถ้าขนาดนี้ไว้ไม่ได้แล้วต้องลงกรรมแล้วนะครับ และก็สี่ผู้ประกอบด้วยองหนึ่งหนึ่งในข้อหนึ่งนะครับหมายความว่าข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเนี่ยมันต้องครบสามข้อใช่ไหมถึงจะลงกรรมได้นะครับแต่ความจริงพอมาถึงข้อสี่แล้วเนี่ยไม่ยังเป็นต้อกครบสามองหรอกแค่ข้อใดข้อหนึ่งนะครับของข้อที่หนึ่งนะสามารถที่จะลงกรรมได้แล้วนะครับห้าผู้ประกอบด้วยองหนึ่งหนึ่งในข้อสองนะครับเนี่ยมีสีมิบัติเนี่ยที่สี มีอาจารณ์วิบัตนินนเทาจารย์เนี่ยแค่ข้อไหนข้อหนึ่งนี่ก็ลงกรรมได้นะครับของผู้ประกอบด้วยองค์หนึ่งในข้อสามนะครับการติดต่อผู้เจ้านะครับแม้ข้อไหนข้อหนึ่งเนี่ยนะก็ลงกรรมได้ครับเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็เลยว่าพอกลับมโยงตรงนี้นะพิสุนั้นนะแล้วมันต่างกันยังไงเพราะมันมีคําว่าสงฆ์ธรรมนิยสกรรมแก่พิสุผู้ควรตัดชินิยกรรมใช่ไหมครับเพราะว่า การจะลงนิยสกรรมก็ดีตัดชนิยกรรมก็ดีเนี่ยองค์ของวิสุทธิที่จะถูกลงกรรมนี้เน่ะมันก็เหมือนกันใช่ไหมครับนะอย่างเช่นเป็นยังไงน่ะมีสีมิบัตรเนี่ยที่สีเนี่ยเราจะองตัดชนิยกรรมกนไ้นิยสกรรมก็ได้เนี่ยแต่ทําไมถ้าบอกว่าอาทํานิยสกรรมแก่ผู้ควรตัดชนิยกรรมเพราะเมื่อแกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ว่าทั้งสองแบบนะมันไม่ได้จะผิดอะไรใช่ไหมครับทำามถึงพูดอย่างนี้ครับ อันนี้นะตามผทันไหมเ <c oughs> นื้อแสงนี่ถือว่าตามทันนะก็หมายเขาว่าเอาตอนที่สงประชุมกันประมาณนะครับถึว่าท่านไปกาดอิเตมะพุทธเจ้าเนี่ยสงก็ประชุมมาท่ากลางสงเรียกตัวท่านมาและสอบสวนแล้วก็วินิจฉัยตัดสินลงไปนะครับก็สงประชุมกันตัดสินนั้ลงไปเลยว่าเราจะต้องลงนะครับตัดชนิยกรรมแก่ที่สุดรูปนี้ ที่ไ ก, ก่เปพนผู้ได้จ้างนะนะตรลงกรรมนี้นะครับแต่พอจะทำเข้าจริงๆเนี่ยกลับไปลงนิยส ก, กรรมเข้านะครับรูปนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ควรตัดชนียกรรมแล้วเพราะว่าสงตัดสิทธิเสร็จลงกรรมนี้นั่นนะครับแต่พอกลับไปทํานิยส ก, กรรมเนี่ยก็ถือว่ากรรมนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับมีบัตรด้วยวัตถุนะพราะตัดสิทธิอันนี้แล้วก็กลับไปเปลี่ยนใหม่ไม่ได้ น, ะะ น, นั่นแม้อื่นก็คำพิบัติคำ น, นองนี้นะครับ กลับมากลับมาในแผนนี้นะครับหกหนะอันนี้ไหวนะรุ่นนี้รุ่นนั้นเวลาบินะต่อไปนะครับอ่าอายนะค่อยแผ่นะสงทำปรปภาชนิยกรรมแก่พืชสุ่ผู้ควรนิยสกรรมนะครับถ้าอย่างนี้ไม่ควรจะถูกไล่ออกจากวันนะก็ลงประภาชนิยกรรมเลยนะครับก็ไม่ได้นะครับ สงทำปฏิสารณิยกรรมแกวิสุขผูรรครรนนะ้ควรปรับภาชนิยกรรมนะครับใช่ไหมควรปฏิสารนิยกรรมแต่ไปลงปฏิทอะไรนั่นควรปับภาชนิยกรรมนะครับแต่ไปลงปฏิสารนียกรรมคมํำอธิบายก็เหมือนกันนะหมายว่าตอนที่ประชุมเน่ยจะลงกรรมนี้แล้วนะครับถ้าประกับลงกรรมอันหนึ่งสงิบสองเทวเทปนิยกรรมแก่วิสุขผู้ควรปฏิสารณียกรรม ซึ่งพิสูจนผู้คนปฏิสารนียกรรมมันจะมีองค์แปฝงเข้านะครับมาดูมาดูอีกแผ่นหนะ้แผ่นที่บางๆที่นะครับหน้าที่หกของแผนน่นนะครับหน้าที่หกของแผ่นบาง น, นะจะอยู่ข้างล่างนะครับท่านเขียนว่าข้อที่สงจำลองสี่ม้วนในปฏิสารณียกรรมเนี่ยคือนะครับถ้าพิสูจมีองเหล่านี้ยนะ สองก็จะลงปฏิสาริยกรรมหนึ่งผู้ประกอบด้วยองค์ห้าคือขนขวายเพื่อไม่ใช่ล่าแห่งพวกครุขรห์หนึ่งใช่ไหมขนขวาเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แห่งพวกครหขรห์แกจะไม่ชอบโยมพวกนี้นะก็เลยมีการเทยังขนขวานะครับเพื่อจะให้เข้ า, าเสื่อมล่าเนี่ยนะไม่ได้ล่ามันรับประโยชน์นะครับแล้วก็ขวนขวายเพื่ออยู่มีได้แห่งพวกครหัรห์ นะแบบว่าอยาให้เขาย้ายหมู่บ้านไปเลยแบบให้อยู่ไม่ได้นะครับด่าวา่าเปียกเปยพวกขุนทหารยุโยงพวกขุนทหารกับพวกขุนทหารให้แตกกันมันตกกองกันไปนะครับอันนี้นะผู้ประกอบดิงองหา้านี่นะครับพระสมก็จะลงปฏิสนธิกรรมห้า น, นี่เราจะเห็นวา่าเกีย่ยวคับวิหารหมดเลยนะครับลงเพื่อจะรเลึกถึงความผิดแล้วก็จะได้ไปขอขามาโยงนะครับ <c oughs> สองผู้ประกอบดิฉองห้าคือ พูด ต, ติเตียมพระพุทธเจ้าแก่พวกข้าราชกนะครับไปตีเตียมพระพุทาเจ้านะให้พวกชาวบ้านฟังนะครับโอ้นี่หนักเลยนะพูดตีเตียมพระธรรมแก่พวกข้าราชการพูดตีเตียมพระสงฆ์แก่พวกค้าราชการนะครับเพื่อนโยมฟังพูดกดพูดขมพวกข้าราชกาด้วยถ้อยคําอะไรนะครับอย่างพระสุธรรมนะรับคําอันเป็นธรรมแก่พวกข้าราชการแล้วไม่ทําจริงนะครับอย่างเช่นอะไร รับเขาว่าจะไปจำภรษาบ้านเขา้าหมู่บ้านเขา้าและก็ไมโยมจำภรษ า, าใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องอบัตรนะต้องบัตรทุกขกดนะครับผมก็จะลงต้องบัตรทุกขกดนะครับอันนี้ถ้าได้องห้านี่นะผมก็จะลงปฏิสารณนิยกรรมนี้นดครับไม่ใช่เกี่ยวกับการรับนิมนต์จำภรษาอย่างเดียวใช่ไหมแม้การรับปากเรื่องอื่นของโยมนะครับเกี่ยวสิ่งที่เป็นธรรมนะและราไม่ยมทําตาก็จะต้องบัตรทุกขกด แต่ถ้ารับป่าว่าจะสึกแล้วไม่สึกอย่างงี้นะครับในนี้ไม่เป็นไรมีแต่ดีเท่งนั้นแหละครับมันไม่ได้เป็นทำเป็นวินัยอะไรนะรับป่ามันจะสึกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทาตานะครับแต่ตอนแรกมาจะเป็นอย่างงั้นใช่ไหมว่าผ้าใหม่จะสึกรับป่าโยมพ่อยยมแม่วลาถึงวันนั้นมัจะสึกแต่ฝนวันเข้าวจริงๆนะไม่สึกไม่ทําตาท่านก็ไม่อาบอะไรเพราะถ้าท่านจะเปลี่ยนใจนะ เกรัทาหรงก้าวอยู่ต่อดีกว่านะครับอเาอาสียน uyorum, ้นนะครับอืมเป็นไรมันไม่เสียนาโกหกแต่ทีแรกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรืยอที่ชอบทำนะอย่างเช่นรับป่าว่าจะไปแสดงทาใม้เข้าฟังและก็ไม่ยอมไปอย่างนี้นะครับก็ต้องบัทุกโกรนนะรับป่าจะประพุรษารับป่าจะไปบีไม่มใช่ไหมรับป่าจะไปสวดอะไรอย่างนี้นะครับแลวก็ไม่ยอมทำไม่ยอมไปนะ ก็จะต้องอ่านบททุกบทนะครับข้อสาข้อสี่นะครับถ้าบอกว่าผู้ประกอบได้องค์หนึ่งในข้อหนึ่งถึงข้อสองนะครับเนี่ยเพราะว่าข้อหนึ่งบอกว่าต้องประกอบได้องค์ห้าในข้อหนึ่งใช่ไหมข้อสองบอกว่าต้องประกอบได้องค์ห้าใข้อสองนะครับแต่ว่าข้อสามข้อสี่เนี่ยท่าบอกว่าไม่จำเป็นต้องครบองค์ห้าหรอกแม้ผู้ประกอบได้องค์หนึ่งในบรรดาที่ว่ามันต้งสิบข้อนะครับแค่ประกอบได้องค์หนึ่งเนี่ยนะ สองก็สามมันที่จะลงปฏิสันนิยกรรมได้นะครับถ้าบอกว่าจริงอยู่ความเป็นความบากหมาคือพิสูจน์ผู้ชอบก่อเท่ารีว่ามีเรื่องราวเกับความบากหมานะเพื่อว่าพระเจ้าจัดไว้ว่าเป็นองค์โดยพิเศษแห่งตัดชนิยกรรมอย่าง <c oughs> นี้นะครับนี่นะองค์พิเศษของตัชนิยกรรมนะครับเกี่ยวามผู้บากหมาเท่าเรมีว่านะสองก็จะลงคํานี้นะ เป็นพิเศษเลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าลงกลารอุปไม่ได้นะครับความเป็นผู้ต้องอาบัตเนืองมีอาบัตมาคกคุกเข่าี้หันนะครับต้องมาอยู่นั่นนะเมื่อพระเจ้าตรัสว่าเป็นองค์แห่งองค์โดยพิเศษแห่งนิยสกรรมนะครับกรรมที่อะไรนะนิสกรรมแปลว่าอนะไรก็แปลว่าถอนยกประจำเไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหมายก็ว่าให้ถือนิสัยใหม่นะนะครับสําหรับผู้ที่ต้องอาบัตกันอยู่เนือง สมก็จะลงกำนี้เป็นพิเศษนะครับแต่ว่ากำอื่นก็ลงได้ความผู้ประทุสระแย่ากครูประจบ ป, ประแจงข้าพิ้งหันนะครับคุณพราเจ้าตรัสว่าเป็นองค์โดยพิเศษแห่งปัตพาช ني กรรมเนี่ยถ้าเป็นประจบประแจงใช่ไหมสองก็จะลงปัตพาชนียกรรมเป็นกำพิเศษเลยให้ลงอันนี้นะครับแต่อย่างอื่นก็ด้านกันนคกำอื่นก็น้านกันเดี๋ยก่นนไม่ได้ น, นะครับ พอจบประแจพิเออค่าทองค่าทองหน้านหมือนกันน้ต่อไปนะครับพุทธมรรคเจ้าจตัดไว้ว่าเป็นองค์โดยพิเศษในประพาช尼ยกรรมนัมาดาองค์ทั้งสามสองจะทําตัดแฉตตัช尼ยกรรมนิยสกรรมประพาช尼ยกรรมแม้ทั้งหมดด้วยองค์ใดองค์หนึ่งก็ควรนะครับอันนี้เนีับหมายา็ว่าเขาเกิดความบ่งหมาเท่าอบพิวาสใช่ไหม จะลงจตุจ ني ยกรรมก็ได้นิยสกรรมก็ได้ปราชนิยกรรมก็ได้ไม่ได้เจะจ ง, สะสงเราสามอย่างเนี่ยนะแม้เป็นผู้ต้องอาบัตเนืองๆหรือบุตรสลาสกูนี่ก็เหมือนกันนะครับและต่สองเห็นสมควรนะว่าคนนี้คุณจะลงกรรมไหนในบรรดาสามอย่างเนี่ยเนี่ยรายอย่างหนึ่งได้นะครับแต่ถ้าปฏิสารณียกรรมนะกรรมที่ระลึกถึงโทษนะจะจะไม่เหมือนอย่างนี้นะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องหาล้วนๆเลยนะกรรมที่ระลึกถึงโทษนะครับเนี่ยก็จะไม่เหมือนเขา อันนี้ได้ครับมเมื่อถูกสงลงกรรมแล้วก็ต้องบอกพื้นวันนครับปพื้นวันกี่วันดีล่ะไม่มีการปกปิดนะบอกพื้นวันก็สิบประมาณสิบถึงยี่สิ บ, บ, นนบ ว, นะวันนะครับถ้ามากนั้นนะบอกพื้นวันนะครับก็บอกพื้นแก้ตัวหายเยอ่อหยินนะแก้ตัวได้ น, นะครับไม่ทําอย่างอั่นอีกนะครับบอกพื้นตามที่สูตรสงนนะสงก็เห็นว่าพื้นตัวดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับสงก็จะสวดและงับ ก, กรรมให้ ถ้าเ็จะผลโทษขึ้นมาได้ครับที่ยุยงพวกเพิ่งากับเพิ่งคายให้แตกกันนีครับอย่างเช่นถ้ามีเพื่อนอีก่อคนอีกคนรับสือเป็นะเคยติดนพูดแต่เพื่อนคนฟลิปพยายามชวนเพื่อนคนพุดทำไปนับือต่อนะถ้าเราชวนเข้ามาทางนี้ถือเป็นยุยอ๋อม่ยยงไม่ยุยงยุยงหรือ่ยุยงยุยงก็คือ ไปพูดนะครับเขาเรียกว่าพูดอะไรนะให้เขาแตกแยกกันเิเอาไปพูดกับโยคนนี้นะครับว่าโยคนนั้นนะเขาว่าโยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นทำให้เขาโตกันนะครับให้ได้แตกแยกกันคอรับให้ค้าเรียกว่านอกสองหัวใช่ไหมทางโลกใช่ไหมครับทําให้เขาแบบแตกแยกกันนะพูดคนนั้นอย่างนี้แล้วก็มาพูดคนนี้ฝังอย่างนี้นะครับ ทางโลกเขาเป็นเยอะใช่ไหมโดยเฉพาะบางพวกผู้หญิงคนที่ไม่สำรวมป่าอาจจะเป็นเยอะนะครับอันตรายนะครับงานบ้างานาไม่มีอะไรทำนะก็พูดยุโยงบ้างส่อเสียบ้างหนาว่านินทาจะว่างตามธรรมนพากวาคุกี่กับอกูสนก็อยนนี้นะไม่ดีเลยนะครับต่อไปนะครับมาข้ออะไรสิบเอใช่ไหม กลับมาในชีพแผนนี้นะครับแผนใหญ่นยยนะแผนใหญ่รืมกลับไปกลับมาให้สสิบเอ็ดนะครับสองให้ปริวาแก่วิสุทผู้ปลุงเคปานิยกรรมเนี่ยคนเนี่ยเขาไม่อยอมทาคืนอาหาบาดต้องต้องลงเคปานิยกรรมใช่ไหมส่วนปริวาให้เลยแต่ ค, คนละเรื่องกันนะครับไม่ได้นะครับสองให้ปริวาแกวิสุทธิผู้นะะี่ไงเนาะ ข้สองนะครับสงชักพิสุผู้ควรปริวาเข้าหาอาบัติเดิรนะครับเราควรผู้ดีควรปริวาใช่ไหมกลับไปให้มูลยะปฏิการนานะครับเขาได้นะครับสงให้มานั่งเก็บพิสูผู้ควรชักกาหาอัติเดิมควรจะให้มูลยบปฏิการแต่ไปสวดมานั้นให้ก็เสียสงอัปพานพิสูผู้ควรมานั้นถ้ายังไม่ได้ไประชุนมานั้นเพิ่งขอนะก้องอัปทานนี่เลย <c oughs> ง่ายดีงานร่วมรักท่านไม่ต้องมาทำหรอกมาติสงข้อลงความเห็นอย่างงี้นะ <c oughs> ไม่ได้นะครับเข้ามาพิษ น, นะออสองให้พิสุภูกครัวบพานะสมบทครับเข้ามาขออับานนะครับบวชให้เขาเลย <c oughs> อย่างยิ่งไปใหญ่เลยนะครับเพราะถืเอ้าอการบวชก็ประการเรียกเข้าหมู่สงเหมือนกันเนี่ยท่านขออับทานก็ตั้งยติสวดก็ม า, มาจามบวชใหเลยอันนี้ก็วิบัติครับท่านบอกว่า ทั้งสิบสองนี้กรรมวิบัตเพราะทํากรรมอย่างหนึ่งแก่วิสุขผู้ควรแก่กรรมอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมมันผิดนะครับเข้าใจไหมนะสิบหกนะครับสงฆ์ทำอุโบสถในวันไม่ใช่อุโบสถนะครับไม่ใช่วันอุโบสถเลยไม่ไนะ่าวันอุโบสถมีกี่วันครับสาวันนะครับวันสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำาต้อง็วันสามสิบสี่อุโบสถนะครับถูกต้องนะครับ เนี่ยถ้าทํานอกจากเนี่ยนะก็จะที่ว่าเขาในวันไม่ใช่วันบุญสุขไม่น่าสิบเจ็ดสงปรวาาในวันไม่ใช่ปรวนาวันปรวาณาก็มีสามวันือกันใช่ไหมอย่างเมื่อกี้นะครับอันนี้โดยตัวปกตินะสิบสี่เข้าสิบห้าเข้าแล้วก็สามขีปรวาานะครับทั้งสองนี้กรรมวิบัติเพราะมาเพราะไม่ทําครับเพราะทําดีกว่านะเพราะทําไม่ตรงกับวันที่อนุญาตไว้ ไปลงอูอ่ลงปฏิโม่งท่าแรกนี่เ น, นี่ยนะใช้ไม่ได้นะนกรรมแล้วก็รูบาลไม่ควรลงมันต้องลงปฏิโมงท่าใหญ่ใช่ไหมคร<ม>ับต่อไปนะครับข้อสิบแปดนะครับสองให้บรรดาผสมบุเหมือนให้กระเทยที่บุญไม่ได้กระเทยที่บูญไม่ได้มีกี่พวงครับอ่าที่ที่บูญไม่ได้เลยนะครั บ, อบสองพวกครึ่ง น, นะครับ คพวกที <c oughs> ่อางแปลเพศพวกที่ไม่มีภาวะรูปเลยครับนี้ครับแล้วอะไรครับพวกที่คือกินหาบ๊วยสิร์ตอรปตบลาไม่ได้ข้อไหนดูน้าสกิยังบวดได้นะครับอันตรายนะันนี้ยังบวชได้ให้ตีหลังไี่ไม่นถุกตอนแล้วพวกถุกตอนเนี่ยบวดไม่ได้นะครับอางงี้นะเดี๋ยวถ้าเป็นเกิดเทยไปแปลงเพศเป็น หญิงประแพทสองคนนี yeah. ้นะบวกไม่ได้นะนะครับบวกไม่ได้เป like bon like ี่ยกลับเปลีนกลับนะถ้าไข่ไม่มีแล้วไม่ได้ครับไข่ม่มี้ไม่ได้ไข่เทียมใไข่เทียมไม่ได้ก็ไม่ใช่ของจริงนะที่ที่ที่ที่เปิดก็ทำได้ลยนะครับครับถ้าเป็นผู้หญิงก็อยากเป็นผู้ชายทได้ท้าเป็นผู้ชาย มีไข่มีอะไรด้ไหมครับมีครับต้นตีนปุครับต่อไปะะแล้วก็้วก็อะไรนะแล้วก็พวกที่บั น, บนดอกข้างแรงใช่ไหมอันนั้นก็บวกข้างแรนไม่ได้ใช่ไหมครับบ ว, วกได้เพราะข้างขึ้นที่มันเป็ น, 15, นะครับแล้วก็นะครับสิบเก้าสงให้คนเถยยสัสังวาวผสมบทยี่สิบนะครับถยยัศวานขึ้นเมื่ออธิบายเนไะี่ยอธิบายก็นะ พอรับเพศนะครับมันแดที่เราเรียนเนี่ยนูนตอนแรกนะครับยี่สิบสงให้คนผู้ข้ารีดละถีผสมบทยี่สิบเอ็ดส่งให้ดีะช้างผสมบทผู้ข้ารีดลทถีหมายถือว่าพี่สูและเป็นพ้าอะไรใช่ไมครับไปเข้าดีลทถีเลยไม่ใช่ว่าคนนี้เขาใครต้องอุงนานคิดมาก่อนนะห้าบัวเพราะว่าข้ารีดละถีอย่างนี้ไม่ใช่นะครับ หมายถึงว่าไปเขาลีดตอนบวชมีผ้าับนะให้เดชะมุ่งผสมบุนี่ก็ไม่ได้ส่งให้คนผู้ค่ามาดาวประสมบุตรนะครับไม่ได้ส่งให้คนผู้ค้ามีดาวประสมบุส่งให้คนผู้ค่าผ้าอาหารหรผสมบุตรนะครับส่งให้คนผู้บทุธสลายพิษุนีอยู่ะสมบุตรพวนี้ไม่ได้เลยนะไอสารพ่อมมาเล็กินอนันตริยกรรมนั่นบุตไม่ได้ส่งให้คนผู้ทําลายสงประสมบุส่งให้คนผู้ยังผ้าโลหิตห้อ ผสมบทสองให้คนผู้สองเพศผสมบทนะครับสองให้คนผู้มีอายุหย่อนยี่สิบประสมบทนี้นะสามสิบนะครับสองให้คนเคยต้องประราชิกประสมบทชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรมวิบัติโดยวัตถุนะครับกรรมย่อมวิบัติโดวัตถุอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่เป็นธรรมใช้ไม่ได้นะวัตถุคือคนที่จะบะวชวิบัติบวชไม่ขึ้นใช่ไหมมาทํากรรมบวชให้ก็บวชไม่ขึ้นนะครับ ใครเป็นปรานชิกนั่นนเสรึกออกไปกรรมาบุญใหม่ก็ไม่ได้นะครับนอกจากว่าบุญเป็นเนยนะครับต่อไปอาจารย์จะอธิบายนะครับอถาธิบายกรรมวิบัติโดยวัตถุนะครับอสองอธิบายข้อหนึ่งในข้อว่ากรรมที่ควรทําพร้อมหนะ้าสงทําำไม่พร้อมหนะ้าเชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรมวิบัติรือวัตถุนี้นะครับกรรมที่ควรทําพร้อมหนะ้าก็มี สังกรรมนะที่ควรทําพร้อมหน้าก็มีนะครับกรรที่ควรทําไม่พร้อมหน้าก็มีส่วนใหญ่เรารู้แต่การแต่ทํากรรมที่พร้อมหน้าใช่ไหมไม่พร้อมหน้าไม่เคยคุณนะที่ทํากรรมพร้อมหน้าที่เราทํามันที่เราเห็นอยู่เนี่ยคืออะไรครับก็ให้สวดให้ปริวาสมานณอภารใช่ไหมหรือว่าสมมติเจนที่ต่างๆเนี่ยที่เราเห็นกันบุคคลนั้น่ะที่สงจะสวดกรรมให้เนี่ยก็ต้องอยู่พร้อมหน้าตอนนั้นนะครับแต่ว่ากรรมที่ทําไม่พร้อมหน้าก็มีเหมือนกัน ท้าไม่ต้องเข้ามาอยู่ในที่นั่นแหล่นะครับแต่สองก็สวดให้ได้เลยเหมือนกันนะในสองอย่างนั้นขึ้นชื่อว่ากรรมที่ควรทําไม่พร้อมหน้ามีแปดอย่างคือหนึ่งอุปสมบทด้วยทู่นะครับที่สองพึงกระทําให้เป็นพิษุนีให้แก่พิสุณีหมายความว่าพิษุนีใช่ไหมแกบวชพิษุณีเขาต้องบวชอย่างสองสองฝ่ายใช่ไหมครับพอรีพิษุณีนางนี่นะเข้าบวชจะพิษุณีสองเรียบร้อยแล้วนะครับ เขาจะมาบวชพิสุสงแต่ว่าในระหว่างทางมีอันตรายบางอย่างพิสุนีรูปนี้ยไม่สามารถที่จะเดินทางมานะครับบวชเขาไม่ส่งได้เลยเพราะมีอันตรายบางอย่างเกิดขึ้นนะเขาก็เลยส่งทูตมานะครับซึ่งเป็นพิษุณีผู้ชนะผู้สามารถนะมาแทนนะครับและทูตคนนี้แหละมาขอาการบวชแทนแก่นะครับและบวชก็จะสวดยติกมากวจ้าสวดบวชนะครับยติจุตกรรมนะส ว, นวดบวชให้พิสุนีนะครับ โดยที่ถูตเป็นคนรับแทนนะพิสุณีก็อยู่นูที่ว่า น, นู่นแหละนะครับนี่พอสองส่วนให้ปุ้มนะครับพิสุณีที่อยู่ในว่านนูใช่ไหมก็เป็นพิษุณีที่สมบูรณ์นะครับทั้งที่อยู่คนละที่ ก, กันนะเพราะถือว่ามีทูตมีตัวแทนไปไปรับแทนนะเนะนี่ยเฉพาะของพิษุณีนะครับอันนี้ไม่สามารถทําพร้อมหน้าได้เพราะกรรมาวาจาต่างกันนะครับต่างกันยังไงเพราะในกรรมาวาจาที่จะสวดท่านก็จะบอกอยู่แล้ว ว่าพิสูจน์นี้ชื่อนี้น่ะนพ่อมีอันตรายบางอย่างมาไม่ได้นะครับในคําส่วนนอบนอย่างนี้อยู่แล้วเน ะ, ะถ้าพร้อมหน้าอีกก็แสดงว่าไม่ตรงคำส่วนใช่ไหมเพราะคาส่วนบอกว่าบอกว่ามีอันตรายบางอย่างมาไม่ได้นี้นะครับอันนี้นะครับไม่พร้อมหน้าก็ได้เหมือนกัน <S <S ผมเคยเล่าเรื่องฟังนะจําได้ใช่ไหมหิงแพทย์สยามนะครับชื่ออทากาสีนะหญิงแพทย์สยามมีรูปร่างสวยมากนะ และแกก็มาบวชพิษุนีพอแกรมบวชพิษุนีปุ๊มเนี่ยแกก็ต้องไปหัวกับห้า่ที่หนึ่งพวกนั่งเลงทั้งหลายนั่งหลงที่ชอบเที่ยวผู้หญิงนะก็รู้ว่าพิษุณีรูปนี้นะบวบวนะครับก็เลยจ้องที่จะประทุษร้ายนะไปดักซุ่มดัก่างทางนะครับถ้าแกเดินทางมาทางเนี้ยนะก็จะประทุษร้ายจะข่มขืนจะอะไรอย่างนี้นะครับนะครับแล้วฉุดนั่นี่ไปพิษุนีนะคิดชั่วมากนะครับแต่ได้เป็นพิษุนีอือเขาาก็ไม่ทําอะไรนะ ก้าเจ้าจะเล่นงานน่ะพิษณีองนี้นะครับพิษณีอนนี้ก็เลยไปไม่ได้นะครับก็เลยส่งทูดไปแทนนะก็รวงก็อนุ ญ, ญาตนะครับให้บวชโดยทูตได้นะครับอย่างนี้นโดยที่เจ้าตัวไม่ต้องไปเนาะส่งทูดไปไปขอแทนไปรับาคำสวดแทนนะครับ mm hmm. พร้อส่งสวดกรรมวาจาจบใช่ไหมย่ติดจตากกรรมวาจาจบนางอยู่ที่วัดที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับกําลังนั่งอะไรอยู่นี่นะทำำําสมณธิทำอยู่นั่งหลับอยู่ พอกรรมอาจารจบก็เป็นพิษณีสมุนเลยอะไรือือสมุนแท้เป็นแท้ดีครับนี่นะกีทานี้นะครับต่อไปนะครับเนี่ยที่อาจารย์ตกบแรงไว้ให้ข้อยี่สิบหกเนี่ยท่านให้ไปดูพระวินัยปิดอกเล่มเก้านะครับหน้าสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดเราสามารถันจะตามไปดูได้นะที่สกงแรกไว้ให้ทุกข้อเลยนะครับ ก็คือในวินัยคของสุบัมหามุทยาลัยนะครับดูตาแรกตาหน้านี่ตรงเป้เลยนะครับไปดูเลยนะเนี่ยผมไปดูมาแลกนะครับสองข้อสองและข้อสาการข่วมบาและหงายบานะครับอันนี้ไม่สามารถทำพร้อมหน้าได้เพราะเป็นข้อหลักแต่เมื่อให้ออกไปนอกอั้นบาทรงแล้วย่อมควรทำได้ก็เรื่องของเจ้าวัดท่าริชีนะ ที่แกไปสมคบกับพระอะไรนะ่ะแม่ติยาภุมัสการใช่ไหมจําได้ไหมครับสองรูปเนี้่ที่ตามราวีปัทถ า, าบุตรนะตามโจทย์เรื่องบักปรปลาที่ไม่มีมูล น, นะครับทีนี้เจ้าว่าท่านฤาวีเนี่ยเป็นเพื่อนกับสองรูปนี้นะครับก็เลยเข้าไปหานะเข้าไปทักทายพูดคุยนะครับแต่สองรูปนี้ก็นั่งนิ่งไม่ยอมพูดไม่ยอมจาด้วยเหมือนกับว่าโกรธอะไรสักอย่างมานะครับแล้วก็พูดด้วยว่าอะไรสามครั้งนะก็ยังนิ่งนะครับ พอครั้งที่สามเนี่ยเจา้าอาวาทท่านใชีวิตก็เลยถามว่าเนี่ยโก อ, อะไรโยถึงเมื่อยอมพูดด้วยนะครับเขาสองคนนี้ก็เลยบอกว่าเรื่องอะไรขึ้ น, นครับก็เลยบอกเนี่ยว่าพวกอธรมาเนี่ยถูกประทภาพมโนบุรังแกร่างเงี้ยท่านยังยิ่งเฉออยู่ได้อะไย่างงี้อุบาสกก็อาสาที่จะช่วยนะครับเนี่ยสองลูกนี้ก็เลยบอกว่าถ้าพระท่านจะช่วยอธรมาพวกอธรมานะวันนี้พระพุทธเจา้านะครับ ต้องาห้พระธาตุมัระบุศึกแน่นอนถ้ายมจะช่วยนะนะครับและจะให้ผมช่วยยังไงนะครับเขาก็เลยสองรูปนะก็เลยแนะนําว่านเนี่ยท่านจงไปบอกพระเจ้าไปฟ้องหน่อยนะครับว่าพระธาตุปั้มังระบุเนี่ยไป ข, มข่มคืนไปทําอะไรไม่นี้ไม่ร้ายภรายาของผมอ <c oughs> อันนี้เออ น, นี้เอาความนะใจความนะครับแค่นี้พูดเป็สมมนสำนวนในแบบไม่คืออย่างงี้แหละให้ไปฟ้องนะครับในเรื่องที่มันเป็นจริง เจ้นะาพราทัยเฉวีเนี่ยก็ยอ่ความชอบพอพวกนี้ใช่หมก็เลยไปฟ้องบัะทภาพรมณุุบุจ้าฟังนะครับเรื่องคำโกงหงเนี่ยนะไปฟ้องนะครับคุณดวงก็ประชุมสง่สงส อ, งสองงบถามพระท่าพมณบุรุษก็ในความพระท้ัพระท่าพระไอ้าระละหไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไมครับ <c oughs> ทา่านกนท่านก็บอกวไม่ได้ทาหรอกแม้แต่ในความฝันเนี่ยก็ยังไม่มีเลือเสกเมถุนเลยใช่ไครับแม้แต่ฝันยังไม่มีอะไรนะ ความจริงจะมีได้ยังไงใช่ไครับใครรือว่าเจ้าวัฒนิเฉบรีนะผูดใส่ร้ายพระธบบ า, าลพรบหลงพุทธพระลองก็เลเนี่ยก็สงเนะี่ยความบาปเจ้าวัฒนิเฉบีเลยนะครับควบ่ำบาปคื อ, อยังไงคือไม่ให้ครอประสงค์แล้วนะครับสงจะไม่ไปกินนิมนต์ไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับพยมพวกนี้ทั้งนั้นนะไม่เล่าบาปอะไรทั้งหมดเลยนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวและครบไปเลยอย่างนี้นะครับเนี่ย พ่อเป็นโยมเลยที่เจ้าวัฒนริฉวีน่ะไม่ได้เข้ามาในสถาบันนะแกก็อยู่ที่บ้านแกนใช่ไหมผู้ดวงก็ให้ลงกรรมที่ว่า น, นี้เลยในข่วงมาพอเช้ามาพระอนุวัฒนริชวีนะครับแล้วก็ไปบอกเรื่องนี้เจ้าวัาทนริฉวีว่าประสงค์ในข่วงมาท่านแล้วนะเจ้าวัาทนริฉวีพอได้ฟังท่้ น, นนะครับเสียจะให้มากนะรับไม่ได้นะครับเป็นลมล้มสลบไปเลยนะครับขนาดนั้น <c oughs> เพราะว่าคนเครอยู่บ้านอยู่ว่าคุ้นเคยพระใช่ไหม แล้วอยู่ดีๆก็เนี่ยพระก็จะระคบเริ่มไม่ไม่ยุ่งด้วยร้องไม่ได้ ừ ừ ừ ก็ร้องหงรดหงิดให้นะครับ <c oughs> มีอันหมาตยญาติสามลูหินนะญาติพี่น้องก็บอกว่า <c oughs> ก็มาฟองว่าอย่าเสียใจเลยแล้วก็พามาเฝ้าพระเจ้านะครับแล้วแกก็มาขอเข้ามานะนักสมณพิดได้นะครับพระทูตองก็เลยให้พระสงฆ์เนี่ยง่ายบาตรอย่างเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> งายบาตเลยพี่ให้เจบาประชาริชวีนี่แหละไปขอพระสองฆ์ ว่าตัวเองเนี่ยสำนึกิดอะไรได้แล้วนะเขาก็ ส, งสง่งแล้วก็ส่งสง่าให้บาทให้แต่ไม่ต้องค่อยหาทบานนะพ่อเป็นโยมนะครับขอเสร็จแล้วก็ยู่นอดทบานเลยอืนะครับก็ส่งก็จะสวดหาานาให้เนี่ยถ้าเราเข้าก็ไปใช้ที่ไมคข่วงบาท <c oughs> ข่วงบาทอีรักนิดสมัยก่อนเราได้ยินบ่อยอันนี้เป็นของข้า น, นะครับอย่ก็่อไปใช้ เนี่ยเขาบอกว่าเพราะมเป็นคดิหันนะครับแต่เมื่อให้ออกไปนอกธรรมะสงแล้วย่อมควรทำได้สี่นะครับอุมาตกาสมมุติที่สงพึงทำแก่ที่สู่บ้านเมื่อเธอขอแล้วนะครับแม้อยู่ไม่พร้อมหน้าก็ควรทำได้แม้เธอนั่งอยู่เนี่ยทบารกรรมก็ไม่เสียเพราะไม่มีการกำหนดไว้นะครับ ผมวันนั้นผมน่าจะพูดผิดนะตอนนี้อุมาตะการสมมุตินะครับหมายถึงการสมมุตินะครับสมมุติที่ให้แกพิสุผู้เป็นบ้า น, นครับอันนี้ไม่ไม่ได้บ้าแบบไม่รู้เรื่องเลยนะแกยังพอรู้เรื่องบ้าง น, นะครับอย่ังระลึกได้ว่าตอนนี้เป็ น, นวันอุนโบนึงวันปวานาสงฆ์ทำสถานกรรมมาอยู่นะครับแกระลึกได้บ้างระลึกไม่ได้บ้าง น, นะ บ, <ilo> บางทีก็นึกได้บางทีก็นึกไม่ได้นะครับเด <ilo> ี๋ยวก็เดินเข้าบสถ์เด็กก็เดินออกไปนะอย่างนี้นะครับ ลักษณะนี้นะก็เลยว่าจะเอาอยัางไงเกิดยูดีแกสติดีๆใช่ไหมนะเ ล, ลอกได้เข้ามาในโบสถยูด mm ี hmm. เดินออกไปเฉยเลนะครับทนที่ประสงค์ยังทากรรมเปนอย่างนี้นะจะทําให้กรรมเสียได้ใชไครับพระตรมก็อนุญากให้ให้มาตกาสมมุติแกดีเป็นบ้านอย่างนี้นครับหมายเขาว่าแกจะเข้ามาในบถาบานท่างการสงนะหรือจะออกไปก็แล้วแต่เนยะแกไม่ถือว่าเป็นประมาณนะครับไม่ทําให้กรรมเสีย ต่อไปนะครับห้าเศษขาดสมมุตินะครับอันเนี้ยแกต่ตระกูลผ้าเสษขาดทั้งหลายตระกูลผ้าเศขาดไหมตระกูลผ้าริยาจ้าใช่ไหมมีศรัทธามากครับพระ้าลีญาจ้าศรัทธาไม่หวั่นไหวนะมีศรัทธามากแต่ว่ามีโคา่าทรัพย์น้อยนะครับแต่ว่าผ้าแบบบินทะ บ, บาทเขาก็อดไม่นานนะมีอะไรก็ใส่บาทใส่บาทท่าหมดเลยใช่ไหมครับถึงแม้ตัวเองต้องอดค่าอดน้ำนะก็ยอมที่จะใส่บาทท่าพลามา บิดาบาที่บ้านเราทนไม่ได้นะเนี่ยแต่คุณที่ยาติจนขนาดนี้อาจะมีศรัทธามากแต่ยาตจนขนาดนี้นะครับผู้ถูกก็ให้เสกขาดสมมุตินะครับทั้งที่เขาไม่ได้เข้ามาวัดเลยนะก็สวดให้เข้าเลยนะครับพอให้เสกขาดสมมุติแล้วนะครับพระสงฆ์ก็จะไปรับบิดาบาบ้านแกไม่ได้แล้วใช่ไหมนอกจากว่าแกนิมนต์ไว้ก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวไปยืนรับบิดาบาบ้านแกแล้วเขาจะระบากแล้วนะจะระบาสิไม่มีอย่กงี่ครับครับม ขอกพรมทันนะครับแก่ชนะพิสุพรมทันเดียอาจารย์จะอธิบายข้างหน้านะพรมทันจะไปแปลว่าไม้ค uh, ้าของพระพรพนะครับท่านดานไม้ค้าธรรมะก็พรอพอยู่ไหมเขาแปลว่าอ่านยาอันประเสริญนะครับธรรมะถือว่าประเสริญก็ได้ท่านดานนี้ก็อ่านยาก็ได้นะครับไม้เท้าครอบทพกรอบที่แก่สนใจงานสัมนา ครับเออย่างนี้นะครับธรรมทันที่แห่งแห่พิสูจู์ฉันหน้าว่ายากสอนยากใช่ไหมมีปากว่มีอะไรเลยครับธรรมทันก็คืออะไรนะไม่ถ้าสงฆ์จะไม่ยุ่งเกี่ยวไม่บอกกล่าวไม่แนะนำไม่อะไรทั้งสิ้นะครับอันนี้นะหนักเลยนะครับวันแล้วผมพูดผีดอันหนึ่งนะข้อสงฆ์ที่ถูกลงเคปรัญญกรรมนะครับเรายังไปบอกกล่าวไมได้นะถ้ามันเด็ ถ้าแกทําอะไรไม่ถูกใช่ไหมแล้วก็ไปบอกกล่าวได้ครับบอกกล่าวให้แกกลับความขึ้นอย่งนั้นนะอย่าไปทําอย่างนั้นนะครับกลับตัวกลับใจทําดีเห ม, มือนเดิมเนะี่ยอันนี้ได้ครับไม่ถือว่ามันเข้าในการสอนธรรมนะนะนี้บอกได้ครับแต่ว่าถ้าสอนคนที่ถูกลงพรมันทันอย่างนี้นะครับอันนี้เด็ดขาดเลยจะไม่บอกกล่าวไม่แนะนําม่ในทั้งสิ้นนะครับปล่อยแกไปเลยนะแล้วไม่ยุ่งไม่เกี่ยวนะครับ แม้กระทั่งว่าเห็นหน้านี้ไม่มีการทักทายนะหรือไม่มองหน้าเลยนะครับทำเหมือนว่าไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้สนใจขนาดนั้นเลยนะนะครับพระฉันหน้าเป็นพี่สุดที่โดนใช่ไหมแกนโดนลงพมันทางล้าไม่ได้นะครับก็ล้มสลบไปเลยเหมือนกันนะอันนี้ไม่ต้องต่อหน้าเรแจะอยู่ที่ไหนเะก็ลงได้เลยคําพี่บางละเอียดจะอยู่ข้างหน้านคืออันนี้ประกาศศรยกรรมให้แก่พระเทวทัต อ่าที่อะไรพระเทวทัชทํำไรนะขอว่าดูห้าประการใช่ไหมครับแสดงสิ่งที่นอกทำนอกวินัยว่าเป็นทําไปวินัยนะทุตองก็ให้ลงประการสัญญกรรมคือให้สมมุติพิสูกรูปหนึ่งนะครับไปประกาศให้ชาวบ้านเขาทาบนะว่าพระเทวราชแต่ก่อนเป็นอย่างหนึ่งเดียวนี้เป็นอย่างหนึ่งใช่ไหมไม่เหมือนก่อนแล้วนะพระเทวทัราชจะทําอะไรก็แล้วแต่ทางการทางวาจาใช่ไหมครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นความประพฤติส่วนตัวของพระเทวทาชนะครับ ไม่เกี่ยวพระสงฆ์นะนะคะระคับเป็นความมุฒิส่วนตัวของพระเทวท่านนะครับไม่เกี่ยวพระพุทธธรรมประสงฆ์พระพทธธรมพระสงค์ไม่ได้มีการกระทําอย่างนี้นะครับเรื่องส่วนตัวของพระเทวท่านนี่นะคร <c oughs> ับก็จะสมมุติน ะ, ะพิสูจน์รูปหนึ่งนะคะระับให้ะกายชาวมากรู้ว่าพระเทวทัศนเป็นคนอย่างนี้นะครับโยมเนีอะไรนะเอามาฟังนะอ๋าา อ, อาาได้ได้เนาะก็อีว่างนี่นะ นะอันนี้นะครับนหละยกประกาศสุญญากรมก็เป็นการสมมุตินะพิสุรูมหนึ่งนะครับให้ประกาศนะครับพระเทวทัต น, นะว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นะครับมัก <c oughs> อวันทิยกรรมที่พิสุณีสมพึงทําแก่พิสุผู้แสดงอาการไม่น่าเลื่อมใส น, นะครับหมายว่าพิสุณีมีพิสุประแสดงอาการที่ไม่น่าเลื่อมใสให้พิสุนีนะมีการอะไรนะ่ะ การถลอกขาออกให้พิษุณีเห็นเป็นต้นนะครับทำลามกนะหรือไปพูดเกี่ยวชักเสือแล้วพูดพิสุณีอย่างเงี้ยนะครับหลายอย่างนะเดี๋ยวจะพูดไว้ข้างหน้านะครับพิสุณีก็อาจจะลงกรรมพิสูจนี่ยนะโดยที่ลงกรรมว่าเป็นพิสุที่ไม่ควรไหวนะครัเจอก็จะไม่ไหวธรรมด า, าพิสุณีเจอพิสูเนี่ยแม้ว่าบวชในวันนั้นใช่ไม้มก็ต้องไหวนะครับที่สุณีลงกรรมลงพิสูจน์ ได้ก็ได้ครับในกรณีนี้นะครับแต่ว่าถ้าพิสุธรรมไม่ดีอย่างนี้ยนะพิสุนี้ก็จะลงกรรมโดยการที่จะไม่ว่าอะไนะครับอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ต่อหน้านักพระก็ อ, อยู่ที่วัดอะไรของท่านแล้นนะครับพิสุนี้ก็อยู่ที่วัดสํำนักพิสุนีนะก็ลงกรรมกันที่นั่นเลยครับก็สจเนี่นะกรรมแปดอย่างที่ว่าไม่ต้องทําต่อหน้านะครับได้ <c oughs> กรรมทั้งปวงนั้นพึงสร้าบตามในที่ท่านได้สแสดงไว้แล้ว ในถังประกานั้นแหลนะครับกรรมทั้งแปดอย่างนี้อันสงทําไม่พร้อมหน้าย่อมเป็นอันทําด้วยดีไม่กําเริบนะครับจำไว้เลยนะจะเพาะแปดอย่างนี้นะครับที่ไม่พร้อมหน้าสามารถทําได้กรรมทั้งปวงที่เหลือทั้งหมดนะครับควรนอกจากแปดข้อนี้นะควรทาพร้อมหน้าเท่านั้นนะครับคือเพึงทําให้อิงสมุขหาวินัยสี่อย่างนี้ถือนะครับมันเคยมีอยู่ผ้าอย่รูปอย่างนี้ ท่านไปอยู่วัดแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านก็ออกมาจากวัด น, นั้นนะออกมาแล้วนะครับถ้าที่วัดลงกรรมท่านนะครับลงกรรมแล้วก็ส่งจดหมายมาหาท่านอีกนะว่าประสงค์ได้ลงกรรมท่านเรียบร้อยแล้วน ะ, ะถ้าก็ดีใจแล้วม่สบายใจนะครับโดนส่งลงกรรมนะเนี่ยก็จะขอให้ประสงค์ที่วัด น, นั้นนะช่วยลงับกรรมให้นะครับอย่างนงั้นที่ว่ากรรมไม่เป็นธรรมนะทําไปก็ไม่ไม่ขึ้นนะครับ หว่าทําไม่ขึ้นอยู่แล้วไมมีผลอะไรนะครับพรา อ, อยู่ในคนะที่นะมันไม่ใช่กรรมแ่ดอย่างที่ไปทำํำร่ำหลังหน้า น, นะไปลงกรรมพันอย่างนั้นสําหรับหลังนะันใช้ไม่ได้นะครับมันต้องทําต่อหน้าทั้งหมดเลยนี้นะถ้าเกิดว่าต้องทํานะมนพร้อมหน้านะครับอิงสมมุขานวินัยสี่อย่างนี้คือหนึ่งความพร้อมหน้าสงสังฆสมมุขาตาคือพิสุจํานวนเท่าที่จะต้องใช้ในกรรมนั้นนั้น มาประชุมกันแล้วนะครับก็ต้องอผสมประชุมกันกน่ากี่รูปนะที่จะทําทำกรรมนั้นนะครับก็ว่าไปส่วนปริวาะก็สี่รูปใช่ไหมอุปสมบทปัจจัญญาชนบทก็ห้ารูปนะครับเป็นต้นนะครับชันทะของวิสุท์ที่จะต้องมอบชั้นทะก็นํามาแล้วนะครับและไม่มีการคั้นค้านของผู้วิสุทธ์ที่อยู่พร้อมหน้าไม่มีใครค้านอยู่ด้วยหมดเลยนะครับสองความพร้อมหน้าทำธรรมะสมุขตา ที่จะอธิบายความพร้อมหน้าทําหมายถึงว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องจริงนะครับที่ว่าสงฆ์ชะมลักนั่นเป็นเรื่องจริงนะครับสามความพร้อมหน้าวินัยวิเนียสัมพัคตาหมายถึงขั้นตอนต่างๆที่จะระงับนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะขั้นตอนการอะไรเนี่ยการโจด้วยก็ให้การทําตามวินญาใช่ไหมครับแล้วก็ลงกรรมต่างๆนะครับถึงต้องตามทำตามวินัยอย่างนี้นะชื่อว่านะครับวิเนียสัมพัคตา เนี่ยถ้านบอกว่าสงย่อมกระทําโดยทําใดโดวยวินัยใดโดยสัตุสานใดนี้ชื่อว่าความพร้อมหน้าทําและความพร้อมหน้าวินัยนะครับในบรรดาคำเหล่านั้นชื่อว่าทำได้แก่เรื่องที่เป็นจริงนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เราจะระงับไปเรื่องที่จริงนะครับชื่อว่าวินัยได้แก่การโจรนะครับและการให้จําเลยและเลืกถึงโทษแล้วให้การนะครับเนี่ยชื่อว่าทํามานถูกต้องโดวยวินัยนะ ชื่อว่าสถูปสารได้แก่ยติสัมปทาและอนสุสาวนาสัมปทานถ้ามีการต้องสูดใช่ไหมครับถ้ามการสูดยติและอนุสามนาถูกต้อ ง, องะอนะครับนี่นะ <c oughs> ต่อไปนะครับสี่ความพร้อมหน้าบุคคลบุคคลาสมมุคตาคือความพร้อมหน้าบุคคลที่ถูกสงกระทากรรมนะครับหรือว่าความพร้อมหน้าคู่กรณีก็ได้ถ้ามีคู่กรณีที่มีการโจกการฟ้องร้องอะไรกันใช่ไหม ทั้งสองลูกก็ต้องเข้ามาหานบาลนะครับต้องอยู่พร้อมหน้าสงนะไม่เชื่อามาลูกเดอรูปหนึ่งอยู่นะครับไม่ได้นะมันจะไม่เข้าใจว่ามันเกิด อ, อะไรอย่างนี้นะครับมันต้องให้ทั้งสองฝ่ายชี้จแจงใช่ไหมพร้อมหน้าพร้อมหน้าบุคคลนะครับหรือว่าคนที่สงจะลงกรรมนะก็ต้องอยู่ต่อหน้าแต่นั้นนะครับเชื่อพร้อมหน้าบุคคลจึงอยู่กรรมทั้งปวงที่ทําแล้วด้วยประการอย่างนั้นย่อมเป็นอันธรรมดีแล้วนะครับ แต่กรรมที่ไม่ทําอย่างนั้นไม่ทํารับหลังเช่อย่างนี้นะย่อมจับเป็นกรรมวิบัติโดยวัต ถ, น ถ, นถกกนนุนะครับเพราะทําเว้นวัตถุอ๋อนี่นะกลาวคือสัขผัสภายในนี้เสียนะครับถ้าทำโดยไม่ได้เสัมขัสภ า, ายในไม่ได้ต่อหน้าเสียอย่างนี้ใช่ไหมนี่ก็ชื่อว่าวิบัติโดยวัตถุใช้ไม่ได้นะครับถือว่ากรรมนั้นเสียหายไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะด้วยเหตุ น, นั้นท่านจึงกล่าวว่า กรรมที่ควรทําพร้อมหน้าสงทําให้พร้อมหน้านะครับกรรมไม่เป็นธรรมวิบัติโดยวัตถุนะครับแม้ในกรรมทั้งหลายมีกรรมที่ควรทําด้วยการสอบถามกรรมมันอยา ก, ากนะต้องสอบถามก่อนใช่ไหมต้องให้เข้าให้การทําตามปฏิญญาแล้วไม่ยอมสอบถามนะครับข้อสองนะเป็นต้นนะครับการทํากิจมีการสอบถามเป็นต้นนั่แหลจับว่าเป็นวัตถุในที่นั้นนะครับต้องสอบถามก่อนแล้วทาแล้วไม่ยอมสอบถามนะ ก็ถือว่าวิบัติโดวัตถุเหมือนกันพึงสร้างความที่กรรมแม้เหล่านั้นวิบัติโดยวัตถุเพราะทําโดยเว้นวัตถุนั้นนะครับอธิบายข้อสองนะครับข้อว่ากรรมที่ควรสอบถามก่อนทํานะแต่สงไม่สอบถามก่อนทําเช่นอะไรนะครับมีวิสู์รูปหนึ่งทํำไรน่ะมีวิสุรูปหนึ่งทํำไรท่านข้าอินเทอร์เน็ต ค่อินเทอร์เน็ตเพื่อไปดูอะไรหนังคนจนหใช่ไหมย่านี้นะการทำแล้วก็ทํำอยู่ประจำนเนืองๆใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ฟงไม่ได้อะไรนะครับตั้วบัตรอยู่เนืองๆถือว่าแปละลัทีนะอะไรนะเนี่ะเ้าเรียกว่าอะไรเมื่อกี้ น, นะครับมีบัตในอธิศีนใช่ไหมมันเป็นองนะครับมีการตัอวบัตรอยู่เนืองๆ น, น, นะสามารถลงเนื้อศึกรรมได้นะครับตัดชนิยกรรมอะไรก็ได้นะ สีมิบัติเนี่ยที่สีในปัญญกว่าสังวรสีนะครับก็ทําอย่างนั้นแหละนะครับสงก็ต้องเรียกตัวมาท่ามการสงใช่ไหมแล้วมีการสอบสวนก่อนท่านทาจริงไม่ทำจริงนะครับอย่างนี้นะแต่สงไม่สอบถามยูดีก็ทำเอาดื้อๆอย่างนั้นเลยนะครับไม่ได้เพราะว่าถ้าจะไม่ได้ทำก็ได้บอกผมเข้าแต่ผมไม่ได้ดูหนังบอลจรผมจะดูอะไรนะ ข้อสอบผมสอบถานะอะไรนี่ถ้าจไปอ่านงั้นนะแต่สงไม่สอบถามก่อนทํามีความว่านะครับกรรมที่ควรถามแล้วจึงโจดนะครับและให้จําเลยให้การนี่นะแล้วจึงกระทําสงกระทําโดยไม่ถามไม่โจดไม่ให้จำเลยให้การเลยแล้วก็ถือือว่าวิบัตินะทําให้ขึ้นนะครับมันต้องตามขั้นตอนข้อทั้งหมดนรัถามว่าทําจริงไหม แล้วก็ให้การ <c oughs> ไงแบบเปิดกายให้เขาพูดนะไม่ใช่เราไปสัน้นแค่อย่างเดียว น, นะครับต้องเปิดกาสให้เขาพูดแล้วก็ทําตามปฏิญญานะแกเล่าแค่ไหนก็เท่าที่แกเล่านะคร <c oughs> ับอธิบายข้อสามนะครับข้อว่าตาทรทําตามปฏิญญาใช่ไหมแต่สงไม่ทําตามปฏิญญานะครับท่านไม่ได้ปฏิญญาเลยนะครับผมไม่ได้ทาผมไม่ได้เข้าไปดูสักหน่อย ผมไม่เล้าแบบนี้นะมีความว่ากรรมที่ควรยกปฏิญญาเป็นหลักนะครับทำตามปฏิญญาณตามที่จํำเลยให้สมกระทำโดยหักหายเลยนะครับหักหาน้ําใจอะไรเรื่อยๆนะจับตัวมาลงกรรมเลยก็ไม่ฟังเสียงนะครับแก่พิสูจผู้บ่นเพ้อไปต่างๆนานาอยู่เพราะเมื่อได้ปฏิญญานะครับทั้งก็บ่นเพ้อคาควรผมไม่ได้ทำนี เนี่ยกรรมนั่นก็วิบัต น, นะใช้ไม่ได้นะครับก็ได้อ็พักครึ่งก่อนนะครับ